วันนี้จะเทศเกี่ยวกับเรื่องพิปัสนาคำว่าพิปัสนาแปบลบว่าความรูร้แจ้งความรู้แจ้งในอะไรความรู้แจ้งในอริยสัจสี ความรู้แจ้งในอริยมรรคมีองค์แปดรู้แจ่มชัดขึ้นมาในใจของเราโดยอาศัยที่ว่าเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิแล้วย่อมจะสามารถพิจารณาถึงความจริงในตัวตนของเรานี่แหละแต่ละคนแต่ละคน ให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแก่ในท่ำกลางดับสลายตายไปในที่สุดคนเกิดเท่าไหร่ก็ตายเท่านั้น แต่ช้าหรือเร็วท่านเองที่ต่างกันตรงนี้แหละคือตายช้าหรือตายเร็วแต่ว่าตายตายทุกคนไม่ว่าคนเรนั้นจะยากรีมีจนอย่างไรก็ตามก็ต้องตายตายมดพระราชามหากษัตร ลองพิจารณาดูตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์นี่รัชกาลที่หนึ่งพระ อ, องค์ก็สวรรคตไปแล้วหรือตายไปแล้วรัชกาลที่สองก็สวรรคตแล้วที่สามที่สี่ก็สวรรคตแล้วที่ห้าที่หกที่เจ็ดก็สวรรคตแล้ว ที่แปดก็สวอนาคตแล้วนี่แหละผู้เกิดก่อนก็ต้องไปก่อนบางทีก็ไม่แน่เกิดก่อนไปทีหลังก็ได้เกิดหลังไปก่อนก็ได้ผู้ร่างายพิจารณาเข้ามาที่ตัวตนของเราเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ คือเกิดแล้วก็ต้องตายเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครอย่างไรมไม่รู้ว่าจะเป็นใครแหละเหมือนกันหมดไม่มีคำว่าจะยืนอยู่คู่โลกนี้ตลอดไปในสมัยพระท้กับนี้ หรือในขณนะที่พระพุทธเจ้าองค์นี้ลงมาตัดสรูคนมีอายุยืนร้อยปีเป็นรมาณที่กว่านั้นไปก็เล็กน้อยแต่โดยมากแทบจะไม่ถึงละร้อยปีนี่แหละให้ดูเข้ามาที่ตัวเราตัวเราต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหนีความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ มีเกิดก็ต้องมีตายที่ว่าคนจะล้นโลกเต็มโลกอะไรนั้นมันไม่เต็มไม่ล้นหรอกเพราะมันเกิดแล้วก็ตายเหมือนกันก็ลงทับถมแผ่นดินอยู่ไม่มีใครจะไม่ตายเราหายใจอยู่ได้เนี่ยเออยยังมั่นใจว่ายังไม่ตาย แต่ถ้าหมดลมหายใจแล้วจะเรียกว่าอะไรก็เรียกได้แต่ที่สุดก็ต้องเรียกว่าคนตายเหมือนกันหมดลมหายใจแล้วก็ตายไม่สามารถอยู่ได้ต่อไปนี่แหละให้พิรายนเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่มีให้รู้อย่างนี้ ให้เข้าใจอย่างนี้ว่าตัวเราเนี้ยก็เป็นเหมือนอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละบางคนก็มีโรคมากกว่าจะตายนับสารพัดโรคบางคนก็มีโรคน้อยบางคนไม่มีโรคใครๆเก็บอะไรเลยนอนไปก็หลับไปเลย่ไม่ตื่นแล้วอย่างเนี้ย เรามาปฏิปทรทำเพื่อที่จะหนีจากความจริงเหล่านี้แหละหนีทุกข์หรือว่าพ้นทุกข์หนีจากความเกิดความแก่ความเก็บ ค, ค, ความตายนี่แหละหนีจากพวกนี้ใครหนีได้คนนั้นก็โชคดีก็ไม่มีไม่มีการมาตายอีก คือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาตายอีกตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายตายคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายไม่มอีอีกครั้งที่หนึ่งที่สองอีกอันนี้หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว แต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้ไม่รู้ว่จะไปสู่ภพไหนภูมิไหนเอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่เอานอนอะไรกับมันไม่ได้แล้วแต่กำนาจกิเลสที่จะพาไปความโลภก็ไปสู่นรกความโกรธก็ไปสู่นรกความหลงก็ไปสู่นรก ทานไปสวรรค์ศีลไปสวรรค์ภาวนาไปสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่แหละเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้เราพิจารณาให้ดีพิจารณาเข้ามาตัวเราเนี่แหละคนเราเกิดท้าไหลตายเท่าทนั้นอายุยืนหมื่นปีไม่มีหรอกมีแต่ศาสน า, าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคนอายุสองหมื่นปีสามหมื่นปีแปดหมื่นปี แต่ ว, ว่าเรานี่ร้อยปีน้อยมากเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาในสรรชั้นเดาวดึงเทวดาในชั้นสวรรค์ดาวดึงเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่ากับร้อยปีของมนุษย์วันหนึ่งคืนหนึ่งนะเท่ากับร้อยปีของมนุษย์ถ้าเราลงมาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุร้อยปีกลับไปตายไป ออกลับไปก็เพียงได้วันเดียวเท่านั้นเองสวรรค์ฉันดาวดึงมีอายุยืนตั้งพันปีทิ่นานมากเมือเกินหมดบุญจากสวรรค์ก็จุติมาเกิดมนุษย์เหมือนกันนี่ทำไปอย่างนี้ให้พิีรนาเข้ามาที่ตัวเรา มันเป็นของไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปจะระวังขนาดไหนจะรักษาขนาดไหนมันก็เป็นของมันอย่อยางนั้นแหละห้ามไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่อยู่ในอำนาจของใครเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน คนไม่อยากแก่ก็ไปดึงหน้าดึงหนังร้อยไหมร้อยอะไรว่าไปเอเพื่อที่จะมาให้มันแก่โอ้ยหพระพุทธเจ้าจัดไว้มันไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นหรอกเห็นตรงตามพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยเกิดแก่มันต้องแก่ดึงไว้ปานนีนก็ต้องแก่ เก็บนี่มันนับตั้งแต่เด็กขึ้นไปเลยเกิดขึ้นมาเก็บป่วยได้ทรงนั้นเนตายตายหมดทุกคนแต่ตอนนี้เรายังไม่ตายบุญมนุษย์เรายังไม่หมดเราก็ต้องอยู่ในมนุษย์ต่อไปเป็นร้อยปีขึ้นไปนี่อันนี้คือ สิ่งที่จะให้พิจารณาพิจารณาตัวตนนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระพระุทธเจ้าตร า, ามพระปัญจวัคคีตัวตนของเราเนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ เมื่อเป็นทุกข์แล้วเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาคําว่าอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นของเราของเราได้จะไปถือเอาตรงนั้นแหะเป็นของเราถือเอาตรงนี้แหละเป็นของเราไม่ได้บอกว่าอย่าเปื่อยอย่าเน่ามันก็เปื่อยก็เน่าบอกว่าอย่าตายมันก็ตาย นี่มันเป็นอนาตาคือไม่มีตัวตนอยู่ในอำนาจของเราได้เลยมันเป็นตาไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยของมันมียังไงอะ่ะเราก็เห็นอยู่นี่แหละมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันเรื่อยไปในที่สุดก็ต้องตายไปถ้าอะไรมันรู้มรรคผลแล้วน่น ไม่หวั่นไหวในความเป็นความตายพอรู้แล้วว่ายังไงก็ต้องตายไม่หวั่นไหวไม่สกสะทานไม่กลัวไม่กลัวเลยแหละเหมือนทุบหม้อ ด, ดินเอาหม้อทองคำํำกายนี่แตกตายไปแต่จิตถึงความสุขนี่ไปอย่างนี้เพราะนั้นท่านยังไงพิจารณาอย่าประมาทมันจะได้ ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าประมาทให้เร่งทำความภาคความเพียรให้ปฏิบัติธรรมให้บาเพ็ญคุณงามความดีให้กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะมันไม่เที่ยงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงวัตถุภายนอกก็ไม่เที่ยงตัวเราก็ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเกิดแก่เก็บตายอยู่กันแหะเกิดมาชาติไหนพบไหนก็ต้องมาเจอความแก่ความตายมดจนกว่าเราจะเป็นพระอรหันต์จึงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจึงไม่มาทุกข์อีกจึงไม่มาลำบากอีกนี่ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรา เอาตัวเราเป็นตุกตาหรือเป็นตัวอย่างตั้งไว้ถ้าเราเอาหนังออกแล้วมันเหลืออะไรอยู่เอาหนังออกแล้วเหลืออะไรอยู่เอาเนื้อออกมันเหลืออะไรอยู่เอาเส้นใน อ, ออกมันเหลืออะไรอยู่ เอากระดูกวางอไว้เป็นท่านเป็นท่านมันเนื้ออะไรความเป็นตัวตนของเราอยู่ที่ไหนอาัตตาที่เรายึดยึดถือมานมนานหลายชาติมันอยู่ที่ไหนคือความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กระดูกอยู่ที่เนื้อที่หนังหรือมันอยู่ที่ไหนกันแน่ เนือนหนังมังสามันก็เปื่อยเน่าเป็นเหมือนกันหลุดร่วงผุพังไปได้เหมือนกันนั่นให้พิจารณาให้เป็นถ้าพิจารณาเป็นจิตเราก็ต้องวางวางความยึดความถือวางความสำคัญนั่นหมายในตัวตนของเรา ไม่ยึดเอาว่านี้ของเรานี่ของเราเอตังมมะเอสโสหมัชมิอือพระพุทธเจ้าจะไว้เอตัง ม, มะนั่นเป็นของเราเอสโสหมัชมินั่นเป็นตัวตนของเราไม่ใช่ของเราให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาให้มันเห็นความจริงตัวเรานี่ถ้าตายแล้วก็เน่าเปื่อยผูพังไป ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่ที่เราจะเอาได้ไม่มีอะไรที่จะเอาไปได้สักอย่างออไม่ว่าส่วนไห น, ไหนแขนขาตีนมือเราเอาไปไม่ได้เอาไปฝังไว้ไม่ต้องเผาเราก็เอาไปไม่ได้ตายแล้วเอาน้ำทิพย์มาหยดใส่ให้ขึ้นคืน ร่างเดิมเหมือนเดิมยุ่งยุ่งเลยไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรไม่รู้ว่าใครเป็นใครนี่แหละมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำอย่างนั้นมันมีแต่ร่วงรอนหลุดร้อยไปตามเหตุตามปัจจัยผูกพังไม่มีอะไรจะเข้าไปยึดถือเอาได้เราจะไปเอาอะไรจากตัวตัว น, นี้เราจะเอาอะไร จากตัวตนที่เรามีอยู่นี้เราจะเอาอะไรเราจะเอาตรงไหนเราจะเอาส่วนไหนมาเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเป็นตัวตนของเราเอาไม่ได้สักอย่างเลยนี่แหละตายแล้วขอก็เผากัฟังไม่มีทางที่เราจะกลับฟื้นคืนมาได้อีก ไม่ว่าน้ำวนน้ำทิพอะไรต่างๆที่จะประโยชน์ให้เกิดกลับคืนมาเหมือนเดิมไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้ถ้าตายแล้วก็จบกันแค่นี้อัตภาพนี้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้บะอัตภาพมนุษย์อันใหม่แต่ไม่ใช่อันเดิมแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจตามนี้แล้วเราก็วางได้ วางความยึดความถือความสำคัญวัตหมายความเป็นตัวเป็นตนระวางไลหมดเราไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีอิจฉาทิ่เสมีใจประกอบด้วยเมตตาอย่างเดียวนี่กิเลส เป็นเหตให้เราท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกแต่ละกับแต่ละกัดเนี่ยโอ้ยเราไม่ได้อยู่ธรรมดาเนาะเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บ เ, เ, เที่ยวตายอยู่นั่นเนี่นีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ไม่ว่าเราจะเก่งกาดขนาดไหนก็ตามมีความรู้ความสามารถขนาดใด มีความเก่งก็้าสามารถเหลือร้นพ้นประมาณคือเป็นนาหุธเจ้าพระ อ, องค์ยังต้องเสด็จดับขันปรินิพานคือตายเหมือนกันนั่นพระ อ, องค์ก็ปรินิพานที่ยังเหลืออยู่ก็คือทมคำสอนของพระ อ, องค์เรียกว่าทมเรียกว่าวินยัย ยังบันทึกสืบต่อกันมาหลังจากสังคา ย, ยนาครั้งที่หนึ่งพระมหาเถรและทั้งหลายก็ทรงจำคำเหล่านั้นไว้ทั้งหมดต่อมาก็นานปีเข้ากับสังขา ย, ยนาใหม่อันนี้คำสองพระเจ้าก็ยังเหลือมาจนถึงพวกเราเราก็ได้ปฏิบัติตาม เดีทำตามพอปฏิบัติตามทําตามหรือเอาธรรมะเข้ามาใส่ใจความสุขก็เกิดขึ้นในครอบครัวผัวเมียก็เหมือนกันจะมีความสุขได้ก็ต้องมีธรรมะต้องมีความอดมทนต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ตั้งอยู่ในศีลในธรรมครอบครัวนั้นก็มีความสุขแต่ถ้าพิจารณาให้เห็นเป็นความจริงแล้วคนเราเกิดเก็เก็บตายนี่ยมันก็ไม่ติดอะไรเลยครอบครัวมันก็ไม่ติดตายแล้วก็ตายตายไปผู้ตายก็ตายไปผู้เกิดเกิดไปนี่คือความที่เรามองเห็น สัจธรรมคือความจริงอันประเสริฐเห็นทุกเห็นสมุทยัยเห็นได้เกิดทุกเห็นนิโรธคือความดับทุกขเห็นมรรคคือข้อปฏิบัติของความดับทุก อริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์ปดสมาธิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรอะเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายนี่ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นทางดำเนินเห็นความแก่ความตายเนี่ยนะเห็นชัดลงไป้ามีเกิดก็มีแก่มีเก็บมีตายแต่เรามีตายกิจยวของเราก็สดสักเวร ว่าเรานี่จะต้องตายเหมือนกันเอาแน่ไม่ได้เลยต้องรีบเร่งทาคุณามความดีสมาธิเห็นทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นข้อปฏิบัติเห็นความดับทุกเห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเห็นอยู่ที่ไหนบ้ดนี่เห็นอยู่ที่ตัวของเรานี่เอง เห็นตัวของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ก้อนทุกข์ตัวก้อนเนี่ยตัวตนของเรานี่คือก้อนทุกข์ความเก็บก็อยู่นี่ความแก่ก็อยู่นี่ความตายก็อยู่นี่ความเกิดก็อยู่นี่แหละท่านในเห็นชัดอย่างนี้ในตัวของเราเราจึงจะพ้นจากความทุกข์ได้ ถ้าเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ผลอะไรเกิดมา ก, ก็ตายเปล่าตายทิ้งเฉยๆแต่ถ้าเราเห็นสภาวาธรรมนี้ เห็นชัดลงไปในตัวนี้มันก็จะเกิดความเมื่อหน่ายคลายความยินดีไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญวั่นหมายในตัวตนเขตั้งใจทำความดีเรื่อยไปในที่สุดก็ถึงความพ้นทุกข์ไม่กลับมาทุกข์อีก ไม่กลับมาลำบากยากเข็นอีกไม่ต้องมาแก่มาเท่ามาเก็บมาตายอีกเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขอันเป็นที่อยู่ของแห่ ง, หงความสุขอย่างเราปฏิบัตินี่แหละเราก็เพื่อมรักผล น, นิพพาน เพื่อความสุขอันแท้จริงเพื่อความไม่มีกองทุกข์ทั้งหลายไม่มีกิเลสน้อยใหญ่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงในใจก็ถือว่าเราสบายแล้วความโลภก็ไม่มีความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีมันเป็นไงมันก็สบาย ตายแล้วสบายไหมสบายทำไมถึงว่าสบายก็เพราะว่าไม่ต้องทุกข์อีกเพราะเราพ้นแล้วจากกองทุกเหล่านี้นี่ถ้าเราทำตัวของเราให้เข้าถึงความจริงเราก็เห็นแจ้งชัดตามอริยมรมีองเปรเราต้องเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีแน่นอน คนเราเกิดแก่เก็บตายนับกับนับกันไม่ท้วนนานแสนนานไม่รู้เมื่อไหร่จะได้พ้นทุกข์ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ฟังธรรมคาสอนของพระริเจ้าโอกาสที่จะทําอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้มันหายากที่สุดเลยโดยมากก็ทํามาหากินแก่เท่าตายอยากกันไปเท่านั้นีอ อันนั้นมันเวียนว่า้ตายเกิดในวัฏวุฒวัฏสงสารเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เทียวเก็บเที่ยวตายแต่ถ้าเราได้เป็นพระโสดาบันนะวันนี้นะสมมุติสมมตุมมติวันเราวันนี้ได้เป็นพระโสดาบันเราไม่กลับมาเกิดไปให้เป็นทุกข์หลายชาติอย่างช้าที่สุดเราเกิดไม่เกินเกตชาติ เราต้องได้สำเร็จเป็นพระหรหันพวกโยมผู้หญิงโยมผู้ชายสามารถบรรุมาขนได้พระสงค์เจ้าสามารถบรนุพระมาขนได้เหมือนกันถ้าปฏิบัติตามอริยม้าพุยงแปดเรืออริยสัจสีนีเราต้องถึงความพ้นทุกข์ได้มาเกิดก็ไม่เกินเกดชาติ ไม่ตกนรกเลยไม่ว่าชาติไหนๆก็ตามภายในเกียรติชาตินี่ไม่ตกนรกไม่ไปไม่ในอวิชีมหารลกถ้ายังไม่ได้มาขนเอาแน่ไม่ได้ไม่รู้จะไปพบไหนภูมิไหนไม่รู้จะไปสู่สภาพอย่างไรกำหนดไม่ได้เลยเราจะเกิดกี่ครั้งเราจะเกิดเป็นลูกใครใครเป็นวีดามันดา อยากจะมาเกิดกับพ่อกับแม่เหมือนเดิมอะไรเหล่านี้อย่าไปหวังเลยมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกยกเว้นโสดาบันเกิดได้ตามที่ตนต้องการปรารนานี่ไม่ตกต่ำไม่เป็นทุกข์ไม่เหลือดร้อนถ้าเรมันรู้มากคผลแล้ว เราสามารถบรรลุได้ไหมได้ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องบรรลุได้ต้องถึงที่สุดทุกได้นี่แหละเรามาปฏิบัตินี้เราก็ต้องการให้จิตสงบต้องการให้จิต ด, ดูแจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เราต้องการให้จิตของเราบริสุทธิ์หลุดพ้นนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านทุกคนพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราตัวของเรานี้มีความเกิดความแก่ความเก็บความตายที่นาเข้ามามาตัวเราจะต้องเป็นอย่างนั้น หนีความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้หนีความเกิดยังไม่ได้หนีความแก่ยังไม่ได้หนีความตายยังไม่ได้ถ้าเราไม่เป็นพระรีบุคคลถ้าเป็นพระรีบุคคลแล้วมั่นใจตายไปไม่โศกนรกมั่นใจมากเพราะัผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีความหวัง ตั้งใจว่าอย่างน้อยสุดขอให้ได้เป็นรัสุรบบาดก็ยังดีส่วนสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละให้เห็นชัดว่าเราต้องเกิดแก่เก็บตายให้เห็นชัดลงไปที่ตัวเราในครั้งพุทธกาล นางวิสาขามหาอุบสิกาก็ได้เป็นส่วรบันตั้งแต่เป็นเด็กหญิงสาวอยู่ในเป็นพระส่วรบันไดฟังธรรมไดปฏิบัติธรรมได้เป็นพระสรวบันอนาถวินิกาเศรษฐีก็ได้เป็นส่วรบันแต่ว่าท่านเหล่านี้ตั้งอยู่ใน คุณสินคุณธรรมอย่างเต็มที่ขอบกรัวลูกหลานเลนทำบุญนำกุศลสั่งสมความดีไม่ประมาทตลอดชีวิตตัออายุไข่ไปสู่สวรรค์มดมาถึงยุคเราสมัยเราคำสอนยังมีอยู่การปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่ความมารู้มรรคผลก็มีอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมต้องมันรู้ได้ ต้องดีได้ต้องเกิดขึ้นได้ใจเราต้องถึงความสงบสบายได้ถ้าเราปฏิบัติตามำ ค, ำาคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนของพุทธเจ้านี้ไม่เป็นการลาสมัยในครั้งพุทธกาลอย่างไรในปัจจุบันก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละ ให้ตั้งใจปฏิบัติมันไม่สูงเกินความพอใจหรือเกินความเป็นจริงหรอกมันไม่สูงเกินความเป็นจริงธรรมะมันก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่กิเลสมันก็อยู่ที่กายที่ใจของเรานี่ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดี อวิชชาตันหาอะไรต่างๆมันอยู่ที่ตัวเรานี่เราพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราให้ตัวเราเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นประจักษ์ชัดจนปล่อยวางได้จนไม่ยึดไม่ถืออะไรเลย คำว่าไม่ยืดไม่ถือในที่มาเขาไม่สําคัญมั่นหมายว่าตัวตนอันนี้เป็นของเราจริงๆเหมือนจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละมีบางคนพูดเราอันนี้พานยังไม่อยากได้หรอกเพราะครอบครัวผัวเมียก็มีความสุขอยู่อยู่กันก็มีความสุขขอเกิดอย่างนี้แหละเรื่อยไปอันนี้ชื่อว่าความประมาท ไม่ได้คบหน้ปาปาดบัณฑิตไม่ได้รู้ทำคำสอนของพระเจ้าไม่ได้เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บเดูตายที่จะมาถึงตนก็ยังอยากอยู่อยากมีความสุขแบบนี้เป็นความสุขแบบโลกก่อนยังไม่อยากได้ความสุขในพระนิพพานหรอกเพราะนิพพานยังไม่ไปเา้าอะถ้ามาฟังแล้วมาสรุสังเวชใจโอ้คนเหล่านี้ประมาทปานในตัวนะ บุญกุศลอย่างอื่นเขาทำแต่เขาไม่ปรารถนาที่จะไปวัดนิานไม่ปรารถนาที่จะถึงความสุขความเจริญอันแท้จริงเขาไม่ปรารถนาเช่นนั้นเขาปรารถนาขอให้ได้เกิดแล้วก็มีความสุขเหมือนอย่างที่เป็นเป็นอยู่นี้มีครอบครัวพ ม, มีมีลูกมีเต้าอย่างนี้แหละก็มีความสุขแล้วไม่ขอเอามากกว่านี้เอาเท่านี้ก็พอ มันเลือกได้ที่ไหนถ้ายังเป็นผุ้ตชนอยู่มันเลือกไม่ได้หรอกเรียกจะเลือ ก, กเอาแบบว่าเอาไม่ไม่เก็บไม่ไ่าเออก็ลองคิดดูสิพอแก่ขึ้นแก่ขึ้ น, แ, น, แ, นแล้วมันก็ค่อยหลุดไปหลุดไปหมดไปหมดไปความเก็บไข้ได้ป่วยก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นถ้ามีเกิดอยู่ก็ต้องมีทุกข์อยู่ พระพุทธเจ้าบอกทุกขาชาติปุนาปูนังการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์อยู่เรื่อยถ้าไม่เกิดจึงไม่มีทุกข์นพระพุทธเจ้านะแต่ไปทุกขาชาติปุนาปูนังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่าไป เกิดเท่าไรทุกเท่านั้นน่ะที่จะไม่มีทุกไม่มีที่คนว่าไม่อยากพระนี้ได้พระนิพ่านอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็เกิดแก่เก็บตายไปพบชาติกขยืดยาวไปเกิดเป็นร้อยชาติพันชาติแสนชาติเป็นโกรธเป็นโศกขยับเกิดแก่เก็บตายกันเน่ยเวียนทุกเวียนยากเวียนลําบากระบุนนั่นแหะ นี่แหละให้เรามาเห็นความจริงซะก่อนก่อนที่เราจะตายไปหรือว่าก่อนที่เราจะสิ้นสุดชีวิตของเราให้มาเห็นอริยสัจสี่ซะก่อนให้มาเห็นมรรคแปดซะก่อนให้มาเห็นความจริงในตัวเราซะก่อนตัวเรานี้จะเป็นยังไงตัวเรานี้จะลําบากแค่ไหนตัวเราจะเป็นทุกข์แค่ไหน ความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกขนะ์เนี่ยเนี่ยมันก็ทุกข์เงียแหะเราจะเอาไหนในโลกนี้ถ้าเราไม่เอาความหลุดพ้นต้องเอาความหลุดพ้นให้ได้ยากไนไหนก็ตามเหนื่อยไปไหนก็ตามโอดทษเอาเราพยายามทำความดีโดยการรักษาศีล โดยการภาวนาโดยการฝึกจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วก็เอามาพิจารณาตัวตนอัตรภาพอันนี้ให้ดีให้เห็นแจ้งชัดให้ดีขึ้นขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนไม่มีที่จะยึดถือเลยส่วนไหนก็ตาม ในตัวตวนอันนี้ยึดถือเอาไม่ได้เลยให้เห็นชัดปานนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมะมันเกิดในใจธรรมะมันไม่อยู่ที่อื่นก็เหมือนกิเลสดังที่ว่ามาแล้วมันก็เกิดที่ตัวเราแต่ธรรมะก็มีอยู่ในตัวเรานั่นเดความเกิดมันก็เป็นธรรมะความแก่ก็เป็นธรรมะความเจ็บก็เป็นธรรมะความตายก็เป็นธรรมะเนี่ย ธรรมะมันอยู่ที่ตัวเรามารกแปดก็มีอยู่ที่ตัวเราส ม, มาีิใครเห็นใครเห็นชอบกับตัวเราเห็นชอบมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ส ม, มาสังปะใครเป็นส ม, มาสังฆะตัวเรานี่แหละธรรมะอยู่ในตัวเรานี่แหละความดำมลีชอบใครเป็นคนดำมลีก็คือเราเนี่ยแหละคิดนึกปรุงแต่งอยู่เรื่อดัมลีอยู่คิดอยู่เรื่อย ในเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างกิเลสตันหาพระกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดในตัวเรานี่แหละธรรมะก็อยู่ที่นี่ความสุขใครเป็นความสุขก็ตัวเรานี่เป็นความสุขความทุกข์ใครเป็นความทุกข์ก็ตัวเรานี่เป็นความทุกข์นี่แหละธรรมะบันทึกไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ตัวเรา พระพุทธเจ้าบัญญัติทำลงมานในตัวเรานี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตัวตวนอันนี้ไม่เที่ยงตัวตวนันนี้เป็นทุกตัวตวนันนี้เป็นอนัตตานไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาถ้าใครเห็นชัดในใจมันไม่เที่ยงจริงๆในะตัวเรานี่ เ, ออเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ตายไปจริงๆ น, น, นั่นี่ผู้นั้นน่ะเท่ากับเห็นธรรมของพุทธเจ้าแล้วเห็นธรรมมาในใจแล้วนั่นก็คือธรรมมาแล้วธรรมมอื่นก็มีข้อปฏิบัติในครอบครัวพ่อเมียก็มีข้อปฏิบัติระหว่างลูกระหว่างเต่าก็มีแต่ว่าหนีความจากหนีจากความทุกข์หนีจากกองทุกข์มันต้องดูเข้าไปว่ามันมีอริจังอยู่ตรงไหน มันมีความเที่ยงแท้อยู่ตรงไหนมีควาไม่เที่ยงแท้อยู่ตรงไหนดูเข้ามาที่ตัวเราดูว่าเห็นชัดว่าตัวเราไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยงลิ้นกายใจอะไรต่างๆไม่เที่ยงสักอย่างเห็นว่ามันไม่เที่ยงนั่นก็เรียกว่าเห็นธรรมแล้วถ้าเห็นไม่เที่ยงก็คือเห็นธรรม เห็นธรรมก็คือเห็นทุกันเนทุกที่เป็นธรรมันเนี่ยเห็นชัดลงไปมันก็เกิดความเบื่อหน่ายขายความกินดีไม่ยึดไม่ถือไม่อยากสำคัญมั่นหมายในสิ่งไหนต่อไปอีกนี่แหละอนิเทศให้ฟังเพื่อแก้ไขกิตที่มันยังดิ้นรนกัะสับกระสายอยู่ มันยังเป็นไปตามวัฏตะอยู่มันต้องเป็นไปตามความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรายังไม่เห็นธรรมถ้าเราเห็นธรรมก็จะเกิดความเหมื่อหน่ายคลายความยินดีในตัวตนนี้พูดอย่างนี้เราจะไปฆ่าตัวตายนะไม่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ถูกทางแต่จะไปทาอย่างนั้นหมายว่าท่านให้เห็นความจริงของมันจริงๆ เมื่อเห็นความจริงอันนี้ชัดเจนในใจแล้วจิตก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อการเดินว่ายตายเกิดอย่างที่ท่านมหาภัยบูรณ์อ่านในพระไตรปิฎกพ่อแม่ พ่อแม่นะ่ะเอายญ้าเอาไม้ในชมพูทวีบมามัดเป็นท่อนละสี่นิ้วสี่นิ้วอาจำนวนนี้เป็นแม่ของเราอันนี้เป็นแม่ของแม่เราเลื่อยไปไล่ไปไล่ไป จนถึงทวดจนถึงไหนต่อไหนต้นไม้ใบหญ้าในสมภูทีบนี้หมดแล้วแต่คำว่าแม่ยังไม่หมดออกมาคอยต้องเกิดบ่อยๆเกิดอีกเราไม่เห็นโทษต้องเห็นโทษเพราะพระพุทธเจ้าว่าหญ้าไม้ใบไ ม, ไม้อะไรต่างๆในวัฏฏาใน ชมภูธะวีบนี่เอามาปั้นเอามามัดเป็นฟ่อ น, เ ป, นเป็นมัดเป็นมัดนับดูว่าแม่ขาเรามีกี่พบกี่ชาตินานขนาดไหนปู่ย่าตาทวดที่ต่อกันมานี่มันนานขนาดไหนควรจะเบื่อหน่ายควรจะคายความยินดีแล้ว คนเรานะ่ควรจะเบื่อห น, น่ายคนควรจะคลายความกำหนัดพรพอ่อแม่ของเรามันมากเลยเกินมันมากเราเกิดมานับกับนับกันไม่ท้วนแล้วเราไม่เคยเห็นความสุขในธทามของพระพุทธเจ้าเลยเกิดมากก็ประกอบอาชีพทำ ม, มาหากินเลี้ยงตนเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริษัทบริวาร ต่อทั้งหมูม้ากาไก่อยู่เท่านี้เวียนวนอยู่เท่านี้แหละมาชาติไหนก็ดีมาเกิดมาแกมาเก็บ ม, มาตายน่ะมาทามาหากินอยู่อย่างนีนี่มันไม่แน่นอนด้วยนี่เราจะโมวเมาอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วเราต้องรีบเร่งทำความดีของเราให้มากขึ้นจะเหนื่อยเมื่อยกันนั้นก็ตามต้องทาความดีให้ได้ต้องให้ทานให้ได้ต้องรักษาศีลให้ได้ ต้องปฏิบัติทําให้ได้อธรรมะเป็นอย่างี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติทําให้มีมากมีผลขึ้นมาให้ได้อย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจอุย๊ยทํามาเหนื่อยยากเหลือเกินอืเมื่อไหรเราจะหมดหมดคอดนี่ก็สามวันแล้วรู้สึกก็เหนื่อยตามตนตามตั ว, ตตวปวดแกงปวดขาโอ๊ยทุกข์ อ, อาจารย์มาหาก็นั่งดูอยู่กงนันแหะ คนนั้นก็เหงานอนงับแงียไปนั่งไปกินสงบในอากาศเย็นแล้วก็ไปตามเรื่องไปเราต้องปฏิบัติอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาลงไปที่กายของเราให้เห็นชัดพิจารณากายนี้เห็นชัดว่ามีความเกิดความแก่ความเก็บความตายอยู่ที่กาย น, นี้ธรรมะอันนี้ยังมีอยู่ที่นี่ ในขั้งพุติการพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้แม้ปัจจุบันก็ต้องสอนอย่างนี้สอนอย่างอื่นไม่ได้สอนให้เห็นความจริงอันนี้แหละให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นทุกให้เห็นเหตุเกิดทุกให้เห็นความดับทุกให้เห็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกให้เราเห็นอยู่อย่างนี้ชัดเจนอยู่ในใจของเรา เราก็วางความยึดวางความถือวางความสำคัญมั่นหมายวางความเป็นตัวเป็นตนที่เป็นอัตตาให้เห็นเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เราเข้าไปยึดถือเอาไม่ได้มันต้องไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ดังนั้นเราควรที่จะปฏิบัติให้ตลอดไปเรื่อยๆ เ, เพื่อหาความสุขตั้งแต่เกิดจากสมาธิเกิดจากมากจากผลให้เห็นความสุขเหล่านี้อยู่ในใจเรื่อยเช่นเรากำหนดลมลงไปปั๊บใจอยู่กับลมปั๊บเราก็เย็นว้าบในใจสบายใจ ว, ว่าแปลว่ากินเราสงบถ้ากินเราสงบกินเราก็สบายออ ก, ก็เหลืกว่าเราได้สมาธิอืเราได้ภาวนาเป็นทําภาวนาเป็นพอกําหนดรู้ลมปั๊บใจก็สบายปาั๊บขึ้นมาทันทีนี่เท่ากับเราทําเป็นอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้ถ้าเป็นอย่างงี้ทําเป็น ให้พากันรู้แจ้งในอริยสัจสี่ดีแลจึงจะเห็นความสุขอันแท้จริงอริยสัจสี่มันมีอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราความทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราเหตุให้เกิดทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรา อะไรเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นอการมาตัญหาความอยากในกรรมภาวะตัญหาความอยากในภพในที่เกิดวิภาวะตัญหาความไม่อยากมีอยากเป็นอย่างที่เกิด เ, เป็นมาแล้ว นี่แหละตัวให้เกิดทุกข์ละนี่ตัณหานี่แหละตัวให้เกิดทุกข์การมาตันาะะตนภาวนามีภาวนามีภาวาอันนี้แหละตัวให้เกิดทุกข์ถ้าเรามารู้ความจริงเหล่านี้แล้วเราก็ดับทุกข์ได้มีวิชาเกิดขึ้นข้อปฏิบัติต่อไปให้เรื่อยๆให้อยู่ดีมีสุขให้ถึงมากถึงผลก็คือมรรคเปรตนั น, น ทางให้ถึงความดับทุกมันไม่อยู่เท่านี้นะ่ะมันไม่ได้มีมากมายอะไรมันอยู่ที่ตัวเราตัวมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราอ่ะมันอยู่ที่ตัวที่ตนของเรานี่เองให้พิจารณาดูสิความเกิดใครเป็นคนเกิดความแก่ใครเป็นคนแก่ความตายใครเป็นความตายเนี่ย ความพัดภาคจากจรใครเป็นผู้เป็นเพราะตัวเรานี่แหละเป็นตัวเรานี่ะได้รับนั่นฉันจะให้เบื่อนายเบื่อนายในความที่ท่องเที่ยวเวียนว่าตายเกิดในวัาตฏานี้มันนานเสร็จ น, นานจนนับไม่หวาดไม่ไหวแล้วแต่เวลาอันสั้นเพียงเจ็ดวันเท่านี้เราจะมาปฏิบัติให้พ้นทุก มันทำได้มันทำได้ทำให้จิตสบายขึ้นได้ทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ทำให้มากผลเกิดขึ้นได้ขอให้เราทำตามความสนของพุทธเจ้าที่พระองค์สอนไว้ให้ปฏิบัติตามนั้นเราจะพ้นทุกข์ได้แน่นอน อันนี้เรียกว่าทางพ้นทุกขทางพ้นทุกก็คือการรู้แจ้งอริยสัจสี่การรู้แจ้งอริยสัจสี่ที่ตัวตนของเราก็จะไม่มีทุกข์อีกต่อไป